รุ่งผู้ที่แดงน n ่งสืบรุ่งกันบ i ติบัดค a อ ja er er, a ่า m ่า o ม่ไม่ i วรจ a พยายามไม่ควรจะ n k ้นรนกัาติบัดเพื่อพบส i ่งใ h e ิ่งหนึ่งแต่มันสำคัญจะต a องพบจะต้องเห็นแต่ถ้าที่ไวิ้ r o น ทำไมมันจึงเป็นย hmm. ่งนันเขาจึงพูดย่งนันฮะรใจะเป็นคนแดงน่คอ Who are these r i d e r s พูดให้ใครคือแดงนงสื่อทุกทุกไฟเป็น z ซ n b a n g t i b e t a บ Bang Therawat Bang ก็พูดถึงการ trace r รการเห็นธรรมแต่บอกว่านี่เป็นสิ่งจำเผน็นจะเข้าถึงมากมันมันต้องเห็นมันต้อง trace r แต่ว่าไม่ควร ม, ม, มุ่งไมคใครจะคระเป็นคนแดงหนังสือนี่แกพูดว่าใครจะแดงหนังสือแต่ห้ามใครมาให้มุง่งแดงหนังสืออย่างนั้นดิรเรา หรือเขาจะว่าเราจะแจกหนังสือหรดอยังไงดือโพลแจกให้เขาว่าเขาว่ามีคนแดงมาแล้วแต่เรื่องการบัตในเขาดงเรื่องการปฏิบัติในการป ฏ, ฏิบัตปฏิบัติเราไม่ควรมุง่งแต่จังเป็นที่จะทองเห็นที่จะทอ่องจะรู้แต่ไม่ควรไม่ควรมุงม่งอะไรถ้าถ้ามุ่งเห็นธรรมมันก็ไม่ไม่ควรมไม่ควรมุ่งแจกหนังสือหรือไม่ควรมุ่งปฏิบัติไม่ควรมุ่งให้การทัศโลนะครับ แต่ว่าถ้าว่าก่อนก่อนจะได้ทัศรุนั่นก็จะต้องมีรสชาติของทัศรุเสียก่อนอืคล้ายๆว่ามันมันสลับซับซ้อนกันอย่างนั้นนะครับออืจึงเขาก็สงสัยหลวงพ่อก็อสั่งสอนอย่างไรหรือว่ามีความเฉื่อยให้เรื่องเรื่องอันนี้นะครับออาตมาเนี่ยไม่ได้มุ่งจะแตกหนังสือหรอ ให้เอาน้ำซือเขา้ า, กเกเขาในตู้จะดีกว่านังซือน่ะเก็บเข้าในตู้เลยไม่ต้องเอามาอ่านเลยอ่านจิตเจ้าของนี่แหละแต่คนไม่ใครจะฟังคนอยากจะอ่านคนอยากจะแตง่งนักแตง่งนังเขียนก็อยากจะแตง่งอัตมาเนี่ยอัจจัสมาอยากจะมุง่งเอาหนังสือเนี่ไปในตู้ลนน เ, เลยปิดกอ้ดีใช่ขวแกะอะไไม่ต้องอ่านนี่ก็ได้นั่นแหละดีมากแต่คนมันอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเขียน มันเป็นกับคนที่เขียนหนังสือแต่งหนังสือธรรมะในต้องการหนังสือเนี่ยอไม่ดูกี่ปีมันไม่อ่านแหนังสือเนี่ยพราะเห็นว่าธรรมะมันอยู่ในหนังสือหรอกแต่ไอ้คำที่ชี้ทางมาอยู่ในหนังสือคนอยากจะีรู้เร็วเห็นเดียวก็อ่านหนังสือเห็มันรูปขึ้นบางคนก็ดื้อรู้ใจจะของเช่ไหมไปดูในหนังสือก็ไปดูทําในหนังสือก็ได้พูดในหนังสือเรื่อยๆไปกิจเต็มยังในนี่ไม่รูเรื่อง เราไมา่ได้เราเราไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่บอกว่า <ๆ S 1> อันนั้นเป็นกระคนที่เขียนหนังสือสีแดงของมวงเองคเขาเราไม่ต้องการอย่างนั้นหรอกอแกเข้าไม่หุดของเขาเ <ๆ S 1> <c oughs> ออนั่นคันต <c oughs> ัเมนีนแกเกิดโขกโขกแต่ว่ามันจะไม่มีหนังสืออีกตู้ทคนอยากอ่านก็มันไม่อ่านความจริงก็เป็นอย่งครั้งแรกพระพุทธเจ้ามาเนี้ยอ่นี้คำพีร์หรอกเป็นนางดับตาคัเกิดไว้ยังไงตัวนึงนะ เคนเขียนเขียนเขียนหนันนงสือทุกเล่มบางทีคนเอาไปอ่านเราได้บอกว่าอันนี้หนังสือนะนี่อ่านจะให้รู้ว่าอันนี้ไม่เป็นตัวหนังสือ น, น, นั้นไม่ใช่เป็นธรรมะนนธรรมะไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้เป็นหนังสือที่บอกธรรมะธรรมะอะนอยู่นี่นะยังทีนายไม่รู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติคนขึ้นมาเองในมุมอย่างนั้นไอ้นคนปนจริงเราชอบที่สุดก็คือเราเราจะบอกเอาเอ๊ เอาเขวันี้ตู้เดเนยปิดกุญแจดีๆนั่งนั่งเอาตำรานี่อ่านธรรมชาติมันออกมามันเป็นยังไงรถความโกรธมันเกิดมาเรารู้จักรถคของโลภเกิดมารู้จักรถความหลงเกิดมาเรู้จักอ่านหนังสือแล้วก็โลภโกรธหลงไปดูแต่ชื่อมันตัวเราหลงอยู่ก็ไม่รู้ตัวเราโกรธอยู่ก็เอาไม่ได้หนังสือมันเป็นอย่างงั้นแต่ว่าเรอยของโคนที่จะแต่งอยงั้นนะให้รู้ว่าจะทํำยังไงนะ คิดเหมกันแม้มันนั่นเป็นฝาละหันเนาะแก่ได้หายสงสัยเนาะแกปะ้ปัญหาอยู่เรื่อยคนสงสัยหลายนะเนะานะออถ้าเป็นอร่ามนะถ้าเป็นฝาละหนะันนาะก็จะม่มีปัญหาหรอกแก่ได้สบายนะพยายามคนนะแต่อย่ามุ่งให้มันมากนะถ้ามันมุ่ง ม, มากก็เสียประสาท <laughs> <c oughs> เอามีอะไรก็ว่ากันได้ อ, อาจาระครับเอเ ว, ะวะลากลับไปใช้ชีวิตประจําวันนี่ สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจะฝึกสมาธิยังไงแล้วก็นานเท่าไหร่แล้วก็ต้องพึ่งอาจารย์สักเท่าไหร่คะทำไปเรื่อยๆเหมือนเราเพึ่งเข่าสูกมาละวันละชั่วโมงหรว่าอะไรวันละและ้วแต่โอกาสที่เราจะต้องมีทาไปในทํานองเนี้ยอแล้วเราต้องพึ่งอาจารย์สักเท่าไหร่คะใช่อาจารย์ก็พึ่งไปด้วยแล้วแต่แต่ ที่อยู่ไม่มีค่ะฮะอยู่บ้านได้สิ <c oughs> ต้องกลับไปเมืองไทยก่อนอะ <c oughs> ที่ไหนก็อยู่ได้เ <c oughs> ดิน <c oughs> ไปทํางถนนก็อยู่ได้นั่งรถก็ยังอยู่ได้ยปฏิบัติได้นี่นะจะกลัวมันทําไมฮะเมื่อเรามีรูปไม้ใจอยู่แล้วก็รู้สึกปฏิบัติอันไหนดีก็ปฏิบัติอันไหนไม่ชอบแล้วก็ละไปเรื่อยๆไปเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าจําเป็นการปฏิบัติตัง้งดับตาอย่างเดียวหรอกจิตเดีมันจะมาถึงเมื่อเราดับตาหรอ ดืมตายจะเด็กไม่จะไม่มาเหรอเนี่ยนี่เราให้เข้าใจเรื่องปฏิบัติตก่อนเรื่อง อ, อ, อารมณ์ที่ที่ร่งยังยังความโกรธหรือความโศความเสียใจ ย, ยังร่งก็มื่อพิชารนันดูก็มันมันไม่ไม่คอยชัดที่ที่เขาปฏิบัติ มันมันเป็นการพลอยวางหรือเป็น n ารการ i ี้จากอารมณ์เช่นเช่นกันยัแน่ว่ามีอะไร g ป็นแนวดัตซ่แน่าทีคือวามรู้ m วามโกรธมีควบผวก บางทีก็อบอกบัดนี้เขาไปเอาโกรธหรืออะไรหรือให้ปฏิบัติในตัวเองดีกว่าดูคนที่คนนั้นจะควรบอกเขาได้ไหมนั่นบางทีไปบอกเขาก็จะโกรธให้เราอี ก, ก็ได้ดูคนซะก่อนที่ควรพูดไหมควรบอกไหมดูบคุคคลดูเวลาซะก่อนติ่บอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ถ้าหากว่ามันควรนะั่น ถ้าคนนั้นไม่บอกว่ า, วาถ้าเข้าใจไว้คนนั้นไม่ควรจะดีเ น, น, นี่ยคุณท่านโกรธเนีคนยังยังเกิดโทรศัพท์ขึ้นมามันฆ่ามันแกง ก, กันก็ได้เนี่ยดูก่อนทีไม่ใช่ว่ามันบางทีมันเราจะเข้าไปสัมพันธ์ไว้เสือมันเป็นแมวได้เถอะเป็นจับมันดินเป็นเสือไม่ใช่แมวนี่นะ <c oughs> อืเราควรพิจารณาให้ยับยครเรื่องความสุขความ เสียใจต่างๆกับการปฏิบัติจัดศีลหรือว่าปฏิบัติการปล่อยมันเดียวท่าัดศีลมันก็ปล่อยมันเท่านั้นเดี๋ยวต้องให้รู้จักมันที่มันทําไมมันถึงโศกโศกดันมันเป็นเราไหมโศกดันมันเป็นอะไรมันเป็นควรที่ติดตามมันไหมถ้ามันโศกมันสบายไหยถ้าอยู่กับเรามันดีไหมเราโศกเพราะอะไรโศกก็ไอคนนี้ตายแล้วมันโศกเราจะให้มันตายไหม เขาอยากจะตายไหมเราจะให้มันตายไหมนี่มันก็ตายเองมันเท่านั้นแหละแต่เราไปสกแล้วก็โง่เท่นเานั้นไปสุกก็อะไรละ่ะถ้านี่เห็นจช่นี้มันก็เลิกเท่านั้นแหละจนพี่นายมนันดูชัดเจนนี่เป็นนิพพานจะก็ไม่เหมืองธรรมดาของมันอย่างนั้นนี่แต่ในการปฏิบัติอย่างนึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นการนี้จากการรวมเฉยๆหรือเป็นการพลอยวางที่แท้จริง เดี๋ยวก็ดูจิตของเราที่มันคืนมาไหมข้ามันตายเนี่ยนอนเดี๋ยวยังไม่ตายอืมถ้ามันไม่ตายกว่า็คืนมาอีกแน่ถ้ามันตายเราก็รูดเท่าทีทุกวันเตี่มันเกิดมาพุ่มมันกระด้วยด้วยเด้วยเด้วยอย่างไฟตัวนี้รุ่นไฟไหมมันมีทางไฟมีทางควันไฟมีทางความร้อนอะถ้าเราเอารุ่นไฟออกมาเนี่ยมันมีไฟอยู่นะอืมก่อนมันจะดับนะ เปลวไฟมันดับไปก่อนนะนี่มันก็ต่อไปนั่นมันก็ยังมีควันอยู่ไหมควันไฟมีอยู่มันยังอยู่นั่น น, นะอืมควันหมดแล้วความอบอุ่นยังมีอยู่นะ่ะน ะ, ะอย่าไปไว้ใจมันนั่นน่ะมันจะเกิดเป็นไฟขึ้นได้นะนี่เรารู้จักนี่นะแต่ากว่าไอ้ไฟเปลวไฟก็หมดไปแล้วไอ้ควันไฟก็ไม่มีแล้ว ความร้อนก็ไม่มีแล้วไม่ต้องไปถามใครแล้วถามตัวเองก็รู้จักเลยให้ใหเอารุ่นไฟไปดูรุ่นไฟก็ได้จับรุ่นไฟมันดูเพื่ออย่างรุ่นไฟมันดับอย่างไรไฟเหลืออยู่อย่างไรไฟเป็นยังไงควรเป็นยังไงความร้อนเป็นยังไงไฟเป็นยังไงให้มันรู้จักถ้ารู้จักจิตนั้นก็ไม่ต้องถามใครแบบนนั้นมันบอกเองเทนะ่านั้นเมื่อคืนก่อนลุงพ่อสอนเรื่องเราต้องรู้จักจิตใจ ที่ยเย็นแล้วก็คิใจที่เดือดร้อน เ, ออเขาก็อยกากทราบว่าใจที่ร้อนก็คืออะไรใจที่เย็นก็คืออะไรนะครับดูจากดจากมันร้อนมั้ยเคยร้อนมั้ยเดี๋ยวเขาเขาเขาดูเาก็าเคยเย็นนะเดี๋ยวมันร้อนอยู่ยที่ตรงไหนเดยเย็นอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นแหละที่มันร้อนมันเย <c oughs> น็น ที่เราพอไปยึดมันมันก็ร้อนถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราปล่อยมั น, มนไม่ก็ยมีอาการอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ปราศจากปัญญานะมันร้อนขึ้นนะที่ี่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ที่ประกอบไปด้วยปัญญาเนะี่ยมันก็เย็นลงนะ มันรู้แล้วมันหลงมันรู้แล้วมันโลงแต่ก้นรู้กวอนหลงไม่ใช่เท่านี้นะยังอีกนะยังอีกมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเยอะต้องนั่งค้นต้องนั่งพิจารณาไม่ใช่ว่าอารมณ์นี่ฉันฟังน้นง่โกรธคือมันไม่ดู้แรงถ้ามันไม่ชอบใจเราจริงๆมันบวชคือมาอีกออย่าเพิ่งเข้าใจว่าอย่าเพิ่งเข้าใจมามันบวชง่ายๆทําเรื่อยไปพยายามทําเรื่อยไป ทำๆเรื่อยไปความสงสัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่มันจะมันจะเป็นหมดกะอะรู้จักกับคนอื่นเดี๋ยวถามนะมันหมดสงสัยมันต้องรู้ไวยตัวเองมันจึงหมดสงสัย <c oughs> ถ้าเราถามคนอื่นนึงเนี่ยไม่หมดสงสัยสงสัยไหนหมด <c oughs> เมื่อเราไปปฏิบัติเข้าไปรู้เอง <c oughs> เห็นเองนั่นน่นหมดอย่างที่นี่นะ่ะถ้าเราอยู่เมืองไทยเขาบอว่าไที่เนี้ยแจ็คเขาอยู่อย่างเนี้ย แล้วก็รู้จักมั่งกันแต่มันไม่ชัดใครไปอีกเราก็ถามไอ้แจ็คเขาอยู่ยังไงก็ถามอีกไปร้อยคนแล้วก็ถามร้อยคนบารนี้เรามาเห็นเองเนี่ยกับปะ ป, ะ, ปะกระโดนไม่ถามใครแล้ววันนั้นว่ปฏิแจ็คเขาอยู่ยังไงที่ปฏิบัติเขายูัยงปัญหาหมดเลยนี่มั่งกันเพราะเรามาเห็นเลยตัวเองปัญหามันก็หมดไปอย่างนี้พอบอกว่าปัญหาไม่ใช่จะรู้ร้อนกับเย็นก็คือเขาได้อ่า เปลี่ยนแปลงกับร้อนและความเกลียดคร้านคือเขายกตัวอย่างตอนนั่งสมาธิดูลงหายใจบางทีก็ผือไปหรือว่าลืมนะฮะแล้วก็ค่อยๆกลับมาดูลงอีกแต่ว่า เ, าเขาสงสัยว่าก็จะไปไปมันจะช้าไปาหรือว่าเขาก็ตามความเกลียดคร้านเกินไป เ, เป็นยังไงครับหรือให้ ให้กลับมาทันทีอาจจะต้องใช่กำลังให้กลับมาทันทีหรือว่าให้ค่อยๆดึงกลับมาห ร, หรืออย่างไรนะรไป ด, ดึงใครกลับมาอะไรนะครับไปดึงใครกลับมาไม่รู้ไม่มีใครไปที่ไหนแล้วอย <laughs> ่าอดใจว่าใครไปที่ไหนล่ะ <laughs>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 จะไปหาโน้นหรเปลา่าไม่ใช่พริกตรงนี้อ่าอยู่นี่แหละแ <c oughs> าวนี้จะไปดึงมันมาจากที่ไหนหน้ามือหลัางมือมันทับอยู่อย่างเงี้ยเราคอยจะมันไปโน้นเดยไปดึงมันมาก็เหนื่อยแย่ดีมันมันดีไปที่ไหนเนาะอือใช่เพราะเขานั้นจึงจะให้นั่งเฉยๆไห้ให้รู้อยู่ตรงเนี้จะวิ่งไปตรงไหนเราจะไปไหนจะไปแคลิฟอร์เนียโู่นหรือมันไม่ไปที่ไหนหรอกอยู่นี้แหละเดีวพริกตรงนี้ทําความรู้สึกใครมีมาเมื่อขึ้นตรงนี้ ทำความรู้สึกขึ้นมันก็อยู่ตรงนี้มันไม่ไปที่ไหนนะเราเข้าใจว่ามันไปโน้นมันไม่ไปอะคือเรื่องเรื่องมันการปฏิบัติการทันรู้จิตมันจะชาเรือเรียวก็ไม่ต้องยุ่งกับมันใช่ไหมไม่ต้องยุ่งคิดแต่ยังจะไปจัดแจงมันยัไปรีบมันยังไปเร่งมันทีใครใจะไปเร่งมันล่ะเราจะเร่งเลยได้ไหมเราไม่ต้องเร่งมันแต่ดูมันเรื่อนั้นแหละ เรารู้มันรักษาลักษณะมันเป็นอะไรยังไงจนรูน้เรื่องของมันลักษณะของมันเท่านั้นแหละไปเร่งกระแสรู้ได้เลยยิ่งเกิดไฟใหญ่แล้วนี่ขอ<ม>งไม่เร่งขอ<ม>งไม่เร่งของเกิดที่ในที่สง บ, บไม่จะเกิดในที่ว<ม>ุ่นว<ม>ายมันไม่มีชาไมีเร็วแล้วที่ชาเร็วเราไปสมมติเอามันไม่ชาไม่เร็วแล้วไม่มีชาเลว มันเปลี่ยนตามสัญญาของเราเชยๆอร์กชาเร็ว่นี้เราไปคิดว่ามันชาเนี่ยเรทุกข์ใจว่ามันเร็วไปก็เลยทุกข์ใจมันไม่มีชาไม่มีเร็วหรอกเนไ้อปยไม้มันให้รู้อย่างนั้นคนไปรับเหมาทำงานก็อยากให้มันเร็วที่สุดนะมันชาไปนคนที่มีเงินเดือนกิน ก็อยากให้มันเดือนให้มันอะไรสอาทิตย์เดียวเท่านั้นให้มันน้อยๆวันกอกมาอย่างนี้มันเป็นก็คนให่นไหมก็เพราะคนมันต้องการเงินเปล่าๆมันต้องลงแรงกันเองนะมันถึงเป็นอย่างนั้นมันจริงกำจัดธรรมชาติแต่ไม่อยู่แต่อานาจของมันไม่ได้อยู่แต่อานาจของมันมัทุกข์ร้องไห้ดิ้นดนนะเป็นไปดัชนีนั้น ไป <choke S 1> <mem. S 2> พูดห้ฟังกันหนึ่งนะให้เป็นตัวอย่างนะลูกศิษย์อตมานี่แหละมันมาภาวนาไอ้ความคิดมันไปถึงจุดหนึ่งนะมันคิดว่าไอ้มนุษย์ทําไมมันไม่เหมือนกันเนออย่างนี้ไอ้คนนี้ทําไมไม่เหมือนคนนั้นคนนั่นไม่เหมือนคนนี้ไอ้คนนี้มันใจร้อนไอ้คนนั้นมันใจเย็นนะทําไมมันไม่เหมือนกันเนาะมนุษย์เนาะไปนั่งยิ้ไหิแม่ก็อยากเห็มนุษย์เหมือนกันทั้งหมดนั่นก็ไม่เหมือนกัน อัศจรย์ในธรรมะมมันเหมือนกันอย่างนี้นั่งที่ไรก็คิดนั่งที่ไรก็คิดเลยเป็นบ้าเลยนะนี่คืออยากคุ้งธรรมชาติให้มันให้มันได้ใจของเราอย่างนั้นอืมเลยเป็นบ้าเพราะอยากให้คนเหมือนกันทั้งนั้นทำไมไม่ออกเลยคุณพอเคยมีลูกศิษย์เอ้าลูกศิษย์เก่งมากนี่มันอยากให้บังคับให้เหมือนกันทั้งหมดเลยเป็นบ้าเลยเป็นบ้าเห็นไหม ดีดมันเกินไฟลายมันไหม้ก่อนนะเนื่อนี่มันเป็นเน่นไอ้ความสงสัยนี่คือการก็ะทำไม่ไม่แต ไ, ไม่ต้องช้าไม่ต้องเร็วเรื่อครับมันก็ปล่อยตามเรื่องของมั น, นให้เห็นชัดเมื่อเขานั่งสมาธิเก็บปวดในขาก็จัดจัดความเจ็บปวดก็อเจ็บมากเมื่อเจ็บแล้วก่อน ตอนนั่งตอนเรื่อยก็เจ็บขึ้นมาเรื่อยแล้วก็ความฟรุงสร้างก็เกิดขึ้นในจิตในใจจนความเจ็บปวดนั้นและความฟรุงสร้างนั้นก็อ่าจนเลือมตัวภาวนาก็หายไปหมดอ่าจะทํำยังไงนะครับทํำยังไงัแหละ <c oughs> เอาเป็นยังงั้นแหลนะเพรามันเป็นดีงันมันเจ็บมาแล้ก็หายเองมัน มันเก็บขึ้นมาเราวังครับใหม่มันเก็บได้เดี่ยมันเก็บเองมันก็ให้มันหายเองวันทีเราจะไปทําอะไรมันได้นะถ้าเราทนไม่ไหวหนึ่งกับพี่เฟสแคหน่อยพอแล้วนี่นะสรางไงมันก็เรื่องต้องอย่างนั้นเรื่องตั้งการเนี่ยื่องความฟุ้งซ่านไงมันเป็นอย่างนั้นเหมาะแต่แต่ความฟุ้งซ่านครับทำไมคือคือคือมาเจ็บปวดนั้นกับความฟุ้งซ่านก็เกิดเกิดเกิดขึ้นเพราะผู้ก็นั่งดูมันมันจะฟุ่งไปที่ไหนล่ะแล้วนั่งแบบนี้แต่พุ่งมันก็หยุดเท่านั้นเดี๋ยวจะไปตรงไหนล่ะ มันฟุ้งกันมันตายซะอยากฟุ้งได้ตายซะนั่งนึดูว่าหนึ่งเดีมันก็ตายตรงนั้นมันจะไปตรงไหนล่ะยิ่งนายจะพึ่งเข้าใจว่าพูดเรื่นะนั่งดูให้มันตายแต่บางคนตายเงียบนั่งหน้าหนี้แลมันก็เกิดขึ้นมายิ่ก็เกิดตายเกิดตายเกิดดับนี่ทำใหมันเกิดดับอย่างไนสิ่งทั้งหลายนะเนี่ยของไม่จริงไม่จริงเท่าเนิ่นจะไปเอาจริงกับจรงกับมันได้ไหมล่ะ ไปเอาจริงเอาจังกับมันให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็น <c oughs> แล้วกระทุกงอะไร น, บบนี่ของที่มันไม่จริงไม่จัง <c oughs> อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันที่เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหะคือความเอาคือความทําจริงเนี่ยคือความทําจริงกับมันแต่ไปมุ่งกับมันมากเกินไปจะไปคลุมตัวมันหน่แยไปเอาจริงกับมันของไม่จริงไม่จังไหนได้มันก็พลิกไปเปลี่ยนมาพลิกไปเปลี่ยนมานั้นถ้าเราเห็นว่าเอาจริงเอาจังกับของที่ไม่จริงไม่จังเลยอมันเปลี่ยนไปลักษณะนี้มันก็เป็นอยู่เพรมันอยู่อย่างนั้น เนานี่ก็สักวิเนาไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่มันเวตนาะเกิดดี้วกระับไปชูมันถึงที่สุดเท่านั้นไปจบเรื่องนเรื่องเรื่องกรรมกรรมกาวคือทุกวันนี้ก็คนทองในในปัจจุบันคนท้องสวยคนเห่งกรรมกา้ากันยิไรจริง บัดตัวต bon er er mm ัวผมคำแล้วก็อีกไม่นั่งก็ปัตทีก็รู้จักว่าคำน a ้ไม่ด้คำชั่อพึงทำมาแล้วทำยังไงจุงจุ๊จุงจุ๊จัดจะใช้หมดไปเรื่องทีก็ทำคำชัวกับคนอื่นจุัตย์บัดงไงกับคนนั้น ไม่ให้มหมดเดียวเดียวมันคือคอยหมดไปที่นีว่าเราปลูกต้นไม้สองต้นนะมีต้นหนึ่งมีต้นหนึ่งเราปลูกสองต้นนี่นะต้นนี้เราจะไม่เอามันแล้วนะกรรมอันนั้นเราก็หยุดมันแค่นั้นเราจะสร้างสมมันียาวใหญ่เพิ่มพูนมันหีุดแล้ค่อยๆปล่อยไว้ปล่อยไว้กระทั่งจิตใจเราพุ่งเข้าสูงขึ้นมานะีน่อะไรมันก็ทิ้งต้นนั้นไปเอเหลือต้นเดียวเท่านี้เหมือนกับต้นไม้นะนี่ว่าการละ การละแม่แค่ละเจยๆละนพิจารณาด้วยให้มันถึกจิตใจของเราเห็นโทษมันจริงคนละมันไปด้วย <c oughs> หมดเรื่ไม่ตัวเดียวนะให้ปุ้ยก็ง่ายารักษาแมลงก็ง่ายต้องทําอย่างงั้น <c oughs> ตามภาษาพระแต่มละบาปบำเพ็ญบูญ ล, ละความชั่วคุดความดีความชั่วอย่าไปทํามันอีกเลย <c oughs> มันไม่แค่นั้นเดี๋ยวมันหยุดแค่นั้น มันไปอีกแล้วมันก็หมดเป็นท่านั้นต้องทำไงดีค่ับนาจะมีอีกแต่คงจะไม่น เ, เ, เน้นเนียแตมันมีเวลาไม่พอแล้วไปจัดเวลาใหม่ก็ได้หยิบเม็ดยินเม็ดทรายขึ้นมานับมันจะหมดด้วยนี่แขนดิน <laughs> ให้กอนขวดได้มหาสหมุทรแต่มันเยอะไปจะมันจะมันนับหมดทุกก้อนเจับมาก้อนเดียวนี่ก้อนขวดก็พอแล้วเน่นะเห็นหมดไปเอาเอาอย่างนี้สิก้อนขวดอ่ะไ้นี้ไม่ดูจะกอ้ อ, ขอนขวดเลยก้อนหิน่ะก้อนขวดนั่น<อ><อ>นะสุด <laughs> ยอดในเมืไทยนายสี่สิยังอุงอกบัง ถามสุดท้ายใช่คนไอ้หถามอีกทีถามอีกทีถามอีกที่เจาว่าข้าวได้ร้อยเร์เซ็นต์หรือไม่ไปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยข้าวได้ยร นี S <S ่เวลาอยู่ที่นี่ก็ได้ยินทำนี้ก็มากเายครงแล้วอยกจะ call ุ่มพ่ออธิบายเรื่องการทันสุปันเป็นยังไงไม่ใช่ความทัศนรุของนุ่มพ่อเป็นยังไงนะครับเอ่อในยาเรากัดทะลุนะรวยเขามาเขนี่ปากมีกระดูกทะลุอันนี้มันหวานทั้งนระู้จากทะลุ อย่างอื่นก็รู้อย่างนี้นะดูอย่างดดกล้วยนั่นเองนะเอากล้วยทำวํำมาในปกักมีความหวานถือดูแล้วมีการสรู้ธรรมะก็อย่างนั้นไม่ยากไม่ง่ายคือใหรมันให้มันรู้ตรงนั้นเท่านั้นเดี๋มันก็รู้นะมันไม่มากหรอกมันไม่มากให้มันรู้การะรู้มันไม่มาก นี่ก็ต้เงงนะอเทียบกันอย่างนั้นนะเทียบกันอย่างนั้นมันก็อย่างเดียวกันนะั่นแหะมันเทียบอย่างนั้นไอ้ความรู้กัตทรู้คือมันกัตทรู้ตามความจริงนั้นมหายทุกมันก็สบายความสงสัยอย่างนี้ก็ไม่มีในใจของเราไม่ต้องถามใครแล้ว ง, ง่ายสบายหมดปัญหาแล้วแต่นั้นเนี่ยนะอย่างเราอย่างเราฉันกล้วยรู้รสหวา น, นหมดแด้วไม่ต้องถามใครแล้ง หวานก็หวานเท่านี้เปรี้ยวก็เปรี้ยวเท่านี้ทำไมมีอะไรจะถามอีกแล้วมันจะกินกล้วยต่อไปให้มันอิ่มเท่านั้นก็แล้วนะรงับเงียบทั้งหมดรู้รู้ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สาหลายชาติคือไปหลายยังหลายรู้ยังที่สุดได้ประเดีว่วไม่มีเรื่องไม่ต้องพูดก็ดีเชิญเวลาเราอยู่ซีแอตเทิลผมบอกให้ บอกทั้ว่าหลวพอก็ไม่รู้ตัวเองเป็นอะไร <laughs> นั่นแหะเน <laughs> รื่องต้นใหม่ไมไม่รู้นะรนั่นแหะรู้อย่างนั้นเนี่ยนั่นก็รู้คือรู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นแหะรู้ละ <laughs> <laughs> ไม่เข้าใจนี่ <laughs> สิ่มันยิ่งจะตามหลายปีมันไม่รู้จัก <laughs> เราจะสาธุ <laughs> <ช>นะอยากจะสาธุปัญหาวันนี้เนาะจบไว้นสุดท้ายนี่คือเ <laughs> อ่อ จะสะรูปสารูปปัญหาวันนี้ให้ฟังนปัญหาในวันนี้เน่ะไอคนนั้ น, น่ะมีปัญหาที่น่าสนใจเป็นปัญหาที่น่าสนใจคนเดียวหายหลายตึงเงินเหมือนกับคนหลายคนจะมีโพคนเดียวสองคนอีกนแล้วปัญหาวันนี้ก็หน้าหน้าที่สนใจก็คือคือปัญหาคนคนนั้น เขาว่าไม่ต้อง่งอื่นดูทางน้ำมันปฏิบัติมันจะตามหลายน้อยขึ้ามาอย่างอย่างคนอเมริกานี่นะไม่จะไปตามรู้ทุกคนหนึ่งห่ยากยากแต่เรามารูคนคนเดียวท่านี้ก็รู้หมดนยะผู้หญิงก็รู้คนเดียวผู้หญิ ง, ผ, งผู้ชายก็รู้คนหมดแล้วนะ มีผู้หญิงผู้ชายมีคนมีคนมันก็ง่ายขึ้นแต่เราจะไปตามดูทุกคนโขนหอยนะเนี่ก็คนคนทุกคนนี่ก็เป็นเกิดเบื้องต้นแปรท่ำกลางดับจิตสุดเหมือนกันถึงนั้นถ้าเรารู้จักคนคนเดียวแล้วก็รู้จักคนในโลกนี่ไม่ต้องตามไปหาก็ได้ น, นี่นี่ปัญหาที่ธรรมจะจะต้องปฏิบัติอันนี้เราสงสัยที่นี้แล้วก็เราก็สงสัยเหมือนกัน สงสัยในที่ไม่สงสัยที่นี่มันเป็นที่ปฏิบัติลาบากซะหน่อยเนี่มันรายครูรายอาจารย์เกิดไปนะถ้าคนฉลาดก็ไม่เป็นอะไรมันจะเอาผลมาอีกกี่กี่พันมารวมกันก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักถ้าเรารู้จักเระเบียบว่า น, นั่นก็ได้แอบเพิ่นนันเป็ น, น, นได้ถ้าคนไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเดวุ่นเนี่ยอันนี้บุ่ม เป็นเหให้สับสนุ่นวายเป็นเหตุให้ความสงสัยเกิดขึ้นมากว่าจะเอาอะไรอย่างวันนี้เราจะอย่างเราจะนั่งอยู่นี่ก็วันนี้นั่งอยู่นี่ต้องกลับบ้านนะคิดไปๆกลับบ้านดีกว่ามั้ยนะนะคิดอีกต้องกลับนะคนีค้อกลับยงนี้นั่งคิดนดึงคนี้มากก็ง น, นี้ก็ยังไม่กลับวะต่อไปถึงจะกลับนะ นั่งกพันกลับวันนี้ลนะือเรียมตัวจะกลับคิดยังไม่กลับนะพวกนี้ถึงกลับนคนนั้นไมันจะไปที่ไหนเลยไม่เคยวุ่นถามวันวันก่อนลุงพ่อเทพเรื่องความตายบารณะของคนเหล่าเท่าที่คนนี้เข้าใจลุงพ่อเทพว่าให้ตายเดี๋ยวนี้ดีกว่าตายที่หลังตายเดี๋ยวนี้จริง แล้วเราจะมีชีวิตที่จริงถ้าเข้าใจถูกแล้วจะทำยังไงถึงทึงให้ตายเดียวดีได้ <c oughs> คำถามนี้ก็ไม่รู้มันเกิดมาจากที่ไหนเนาะไม่ไม่เคยหมดทีหนึ่งเนาะ <c oughs> ถ้ามันหมดคำามสงสยัยอะไรนั่นอะมันตาย ตายอย่างแท้จริงเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วดับนะเราจะทํำยังไงมันถึงจะหมดความสงสัยนั่นเป็นเป็นหน้าที่ของเราให้มันหมดความสงสัยทํำยังไงมันจะหมดความสงสัยเมื่อหมดความสงสัยมันก็หมดปัญหามหมดปัญหามันก็ตายตายเดียเ๋ยวนี้ไม่ต้องตายพรุ่งนี้ตายนาทีนี้ไม่ต้องตายนาทีหน้ายัางเดือยยังไหม ใครเ่ะอม่ใครยังไม่ตายเน่ยเกิดขึ้นมาอีกสักทีคือถ้า ม, มีใครถามจะอธิบายสักอีกสักนิดเนาะครับได้ครับมันว่างๆเลยนะอันนี้มันเป็นปัญหาอยู่ที่ตัวของเราอางทีเราคิดไม่ถึงคือเรามองมองข้ามมันไปบางทีก็มองไม่ถึงมันถึงไม่พบอันนี้ อันนี้มันวกเข้ามาถึงอืมตนเนข้าที่ว่าตนกับความที่ว่ามิใช่ตนคนผู้ที่เห็นตนเขาเรียกว่านีผู้ที่เห็นตนไม่ใช่ตาเนี่ยมันเห็นตนอย่างนี้คือเห็นว่าตนนั่นนะมิใช่ตนนั่นเนี่ยเรียกว่าคนเห็นตนถ้าคนยังมีตนอยู่โดยธรรมดาในวัยในร่างกายนี่เป็นตน นั่นแหะคือคนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เกิดตายเกิดดับอยู่เสมอถ้าเห็นว่าไอ้ตัวตนนี่มันไม่มีเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นคือตอนมันตายแล้วเหลือแต่อนาตตานั่นเหลืออยู่เดี๋ยเกิดดับเป็นอนัตตาอย่างนั้นเรียกว่าทําให้มันตายเราไม่ค่อยได้ดตาย เพราะเราไม่มีตัวมีตนที่นี่เราไม่มีสุขมีทุกข์คนมีสุขมีทุกข์กว่าพวกมีตัวมีตนอันนี้เราเห็นนอกตัวตนเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์มีบุกคลตัวตนเราเขาอยู่ที่นี่มสงบหมดปัญหาน่ะตายแล้วเอาที่ใครมีปัญหาอะไรรอกสถานสถานที่นี้ที่มาบาทิ่บ่าเมื่อ บาธิบาที่บ้านบอกว่ารู้สึกขี้เกียจลุเตินตอนเช้าไม่เคยอยากเตินนอนอีกดีกว่านั่งกันประทานกำลังยุ่เฉยไม่เคยได้ดังสติที่นี่พอทำได้แต่พอถึงบ้านขี้เกียจจะทำยังไงมันดื้อคนขี้ลื้อมันโอ้โหอันนั้นจิตใจของเราไม่มีอำนาจ จิตใจคนเราไม่มีอำนาจมาที่นี่มันเห็นเพื่อนบ้างเห็นอาจารย์บ้างเห็นใครบ้างมันก็ตื่นขึ้นตั้งใจอำนาจเอาไปฝากไว้ครับแกบ้างไปฝากกับเพื่อนบ้างถ้านอนตื่นสายไม่ทานก็อายเา้าขี้เกียจแล้วก็จำเป็นก็ต้องเอาสังขารนี้ไปเดินตื่นตะตื่นตะกับเขางั้นเนี่ยหยุดไปไปที่บ้านเนี่ยจิตใจเะาหมดอำนาจตามใจของเราอย่างนั้น คืออยากจะตื่นก็ตื่นไม่ตื่นก็ได้ไม่มีใครว่านี่ลักษณะอย่างนั้นอืมจิตใจไม่มีอํานาจพอถามเข้าใจไหมเข้าใจอืว่าเข้าใจต้องตง้องและทต้องทำอย่างไรทังทีง่มีมอํานาจให้ให้มันเข้าใจชัดเจนให้มันมีอํานาจในตัวของมันไม่ต้องอาศัยคนอื่นถามมัน บ, บัดคีเกียดดีไหมถามมันไง <c oughs> ถามมันอย่างนั้นมันขี้เกียดดีไหม ถามอย่างนั้นเรื่อยๆกินกัวมันไม่ดีมันก็จะขยานเองมันเนาะถ้าว่ามันไม่ตอบนี่ยมันดื้อถามมัมันเช่อมันไม่ตอบมันดื้อต้องฝึกให้มากอย่าให้มันกินข้าวสะเก็ดแปดวันนี่ถามันไม่ตอบต้องเอายังงั้นทรมานอย่างงั้นฝึก ถ้าพุทธเจ้าฝึกบริษัทฝึกอย่างนั้นนายสถิติฝึกม้าก็ฝึกอย่างนั้นม้าตัวไหนที่มันดื้อมาให้กินหยาเลยม้าตัวไหนที่มันแฝงชั่วนหน่อยก็ให้มันกินจะน้อยอีกตัวหนึ่งมันดื้อมาให้กินเลยตัวฝึกอย่างนั้นอืม <laughs> เหัวถามว่าอยู่ที่บ้านใจวุ่นวายฟุ้งสารมออีความสงสัยมากที่รังราตรงตัดสินใจใบธรรมอย่างนี้ใบใบธรรอย่างนั้นตัดสินใจไม่เคยได้ <c oughs> จะจะทำ ง, ง่ายทึงตัดสินใจได้ง่ายทำไมเป็นคนห้ามมาเหตุตัดใครสงสัยเรื่องแอน ความสงสัยสงสัยสงสั ย, สยน่ะคือใครไม่รู้ <c oughs> นาน่นละตัวไม่รู้เน่ยตัวสาคัญเลยแดดอันนี้เราก็ต้องทำไมมันถึงเป็นอย่าง น, านั้นเราต้องคิดให้มันดีทำไมเราตัดไม่ได้ไ <c oughs> อความเพียรเรายังไม่ถึงมันมันกันกัะเราเอาไม้เอาไม้มาสีไฟเห็นไหม สีไฟดื้อๆเนี่ยเขาบอกว่าไฟอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม้สองซี่นี่สีกันเข้ากันไม่หยุดแต่ไฟเกิดขึ้นมานะอ<ม>เราคิดว่าไฟมันจะเกิดง่ายๆเนาะจากไม้สองซี่มันสีความร้อนยังไม่เกิดขี้เกียจแล้วขี้เกียจได้แล้วนะหยุด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 จนในความร้อนมันสมรุนไฟมันถึงเกิดอันนี้ความเพียนยังไม่ถึงถ้าความเพียนถึงอะไรมันก็ออกไม่มีใครไม่มีใครบอกดอกเหมือนไฟซอดโคมคืนเห็นไหมใครบอกออกมาอย่างเงี้ยเพื่อน <c ười> ไหนบอกไหมตัวเองก็ยังไม่บอกแต่มาชาติมันบอกเองไฟซัดมื่อคืนนี้อย่างนั้น ไอ้พวกเรามันอยากจะ่ประกาศสรุปใจอยู่ในบ้านนะ่ยนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะพระพุทธเจ้าการสรุตรงไหนตัดอยู่นี่ป่าหรือตัดอยู่ในบ้านไม่ใช่ครับหึท่านัอาใจในี่ไปตรงไหนท่านไปนั่งมีตรงไหนไหมอะไรเป็นเครื่องช่วยใจมีไห ม, มนั่นแหละอืมไม่ว่าเมืองไทย เรื่องของชาวอเมริกาเนี่ยอยากกัดสู้อยู่ในบ้านโยมนะไม่อยากออกจากบ้านใช่ไหมล่ะมั น, นําบากอย่างนี้นะ next difficult มันําบากอย่างนี้ทุกคน to put down together ก่อนจะมีครอบครัวก็นึกว่ามันสบายมันสุขมันสบา ย, ม, บา ย, ม, บายมันง่ายมันสะดวกเมื่อเขาไมีครอบครัวแรกก่ออยากไปปฏิบัติก็ยาก เชือกผูกคอนี้ผูกขาอนี่ไว้ดึงไว้ไม่ให้ขาดก็มาเรียนพระมอนุษยท่านอาจารย์ไปทำกฎกรรมฐานอยู่ในบ้านได้ไหมทำกรรมฐานในบ้านทำไมมันมวุ่นวายมาทำกรรมฐานในสถานที่ที่มันสบายไปหน่อยใช่ไมนี่คือกฎอกฎของกรรมที่ทำอย่างนั้น นี่เวลานี้กฎนั่นมันเกิดอะไรวามันจำเป็นอย่างนั้นเที่ยงว่า ท, ทําดีมันดีทําชั่วมันชั่วอย่าง น, านั้นใช่ไหมนี่คือกฎมาเรียนเบื้องแรกก็บ่ า, บามีครอบครัวมากดสบายสบา ย, บายนี่นึกว่าสบายนี่กฎอันนั้นทําลงไปแล้วกฎก็คือกรรมน่ะมาถึงบัดนี้มันเป็นเชื อ, อ, อ, <S <S อ, อกผูกคอเราดีตองหยาดเใจไหมล่ะใครยังไม่มีอย่าให้มันมีนะ ทานใครมีอะไรคอยยังไง ม, มันดุดให้ได้ทนเอาต้องอดท น, ทน <c oughs> อย่าบลวอย่าบลุงพ่อห้ามนะตามใจอ่ะคำถามเรื่องการปฏิบัตินี้ปฏิบัติโดยปวดเป็นพระภิกษุหรือว่าอยู่เป็นฆรวาสอยู่บ้านคนนี้ก็ยังยังไปรู้ทางที่ดีนะ รี่ทยัไดีถ้าบวชได้ก็บวชนะมันดีมันเราคนคนเดียวมีอะไรจะเกาะมันไม่มีเชือกมันเชือกเส้นเดียวเท่านั้นนะแต่อยู่ในบ้านมันเชือกหลายเส้นถ้าจะทําได้น่ะเป็นนักบวชเนี่ยดีต้องท่งความสุขทิ้งทรงเพื่อนฝูงทิ้งทรงญาติพี่น้องทิ้งทรงทรัพย์สมบัติทิ้งหมดเดียวคนก็นตายเดือดแต่พระเหมือนนก นกตัวหนึ่งนะมีจงอยปากแล้วก็มีปีกแล้วก็มีขาบินไปเท่านั้นเอาไปหมดขาก็เอาไปปีกก็เอาไปปากก็เอาไปไปต้นไม้ต้นนี้ก็จิกกินผลไม้กินกได้สบายตรงไหนก็ไปตรงนั้นไม่ห่วงต้นหลังอันนี้พวกเราตรงเอารถเข็นไปเมอม <c oughs> ไม่รู้อะไระไรมันยากถ้าเป็นผลาดนี่ยมีปีกเดะมีขาแลอะก็มีปากฉะนั้นกินต้นไม้หมากไม้ผลไม้ต้นนี้เราะกับอิ่มแล้วกับไปตังห่วงนี้อย่างนี้มันง่ายอย่างนั้นเหมือนนกอ้ามีอะไรอะไหมอ้ามครัวเหรอนอนนะไหนทามเรื่องมารณะสติ ถ้าเราตังสติรู้ว่าเราจะตายทุกๆวินาทีตายได้เราจะทํายังไงเ <c oughs> ึง่อไม่เกิดความกลัวมากด้วย <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรเมื่อกิจเห็นอย่างงั้นกิดมันเปลี่ยนเองมันไม่ต้องไปแต่งมัน <c oughs> เมื่อเห็นเห็นเห็นเห็นมันสติบ่อยๆนะอ่ามันเป็นสภาวะหนึ่งที่จะบังคับความหลวงงมงายเราให้น้อยลงไปราคะน้อยลงไปโทสะน้อยลงไป น้อยไปน้อยไฟจิต น, นี้มันก็ตั้งขึ้นถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมนะันมันจะเกิดเองมันนะนะไม่กลัวยิ่งกล้าไม่กลัวไปพูดความตายเขาฟังเขาอยู่ในใจเห็นไหมเราพวกเราทั้งหมดทํางานกันได้ย่างวันเนี้ยพิจารณาความตายแล้วหรือ ย, อยังเห็นจะเช้าวันนี้มีไหม ใครได้คิดบ้างด้วยเปล่าหรือด้วยวิ่งเฉยเฉยตอนเช้ามาด้วยนอนเฉยเฉยนึกเฉยเฉยวันนี้คิดอยู่แต่ว่าคิดมันไม่มันไม่หลึกครับไม่ไม่เข้าไม่เข้าวม่ไม่ถึงเมื่อสิปีที่แล้วข่าวโรงพยาบาลป่วยมากจนจะตายทีนี้เรานึกถึงแต่ว่านักมันไม่มันไม่เข้ามันไม่หลุดไม่เข้าเลยครับวันหลังเอาใหม่นั่งอัดลมไหมอัดไม่ต้องหายใจนะมันจะเป็นยังไง That? ทำไมมันดื้อ <c oughs> มันอยากเห็นเนี่ย <c oughs> อะไรทุกอย่างก็พยา ย, พยามบ่อยพยายามบ่อยๆความร้อนยังไม่สมรุนไฟมันยังมีเกิด <c oughs> ถ้าเราเห็นเช่นนี้เป็นไงพรุนน่งนี้เขาจะเอาเราไปประหารเนี่ยพรุ่งนี้เราจะคิดเองสมมุติอย่างนั้น มไเขาเคยคิดอย่างนี้แต่ว่ามันมันยังยังไม่เข้าวยังช่วยไม่ได้เลยไม่ช่วยไม่ได้เดือนที่นี่อาหารใจนะที่นี่นะอาหารใจต้องทําบ่อยๆพี่นะบ่อยๆเดี๋ยวมันเห็นยังเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เคยไปเดินไปเห็นตัวไม้ตายอืมเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน <c oughs> เห็นสัตว์มันตายเราตัวมอนกันอย่างนั้น <c oughs> เห็นต้นยอดมันตายอย่างนั้นเห็นใบไม้มันร่วงเราก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆอย่างนี้เรี่ยวนี้มันก็เห็นเท่านั้นเนี่ยอันนี้เห็นต้นไม้ตายก็ไม่เห็นเราตายเห็นแต่ต้นไม้มันตายคนอื่นตายก็เห็นแต่คนอื่นตายเราไม่ตายมันหนามันหนามากต้องพยายามข่าไปก่อนโคตในมากมันหนา คนนี้ถามเรื่องโลกนี้แว่าโลกจะยิ่งชัวแย่ปัญหายิ่งมากขึ้นและจะทำยังไงทาา่านอาจารย์นี่จริงไหมครับ <c oughs> โลกนี้มันจะเสื่อมไปไหมโลกคืออะไรเขารู้ไหมไม่รู้กันแน่เดี๋ยวนี้โลกมันจะหมดกันแล้วนะน โ, โลกโลโกตันแปรกว่าค ว, วามมืด โรคเพียก็คืออารมณ์เรามันชุดไปได้ไหมแล้วคนตามอารมณ์มากตัวนี้น่ใ น, นโลกนั้นโลคเป็นโลคมืดไอความคิดมากอารมณ์มากตัวนี้มันวุ่นโลโก้ตัน แ, แปลว่าความมืดเราไม่รู้จักก็เห็นว่ามันจะมืดอะไรไฟฟ้ามันสว่างเหลืเกินเนี่ยอย่างนี้เ้าในไฟฟ้ามันสบายมันสว่าง แต่ไฟฟ้ามันสว่างเมื่อไรใจคนหญิ่งมืดเหมือนั้นนมไหมทำอะไรก็ได้มันง่ายมืดมันลงมืดเอ่สว่างข้างนอกคือมันสว่างอืมของโลกไม่ใช่ปัญญายิ่งยิ่งข้างนอกไฟฟ้าสว่างเมื่อไรน้ําะดีเมื่อไรไฟสว่างเมื่อไรโลกเขายิ่งมืดมืดคือจิตใจคนนั้นยิ่งเจริญยิ่งเพลินตามความโหลงของเรื่อย ใจยิ่งมืดโลกจเจริญขึ้นก็ ค, คือความมืดมันจเจริญแต่ก่อนชาวอเมริกาเป็นอย่างไรไหมไอความสะดวกข้างนอกไม่ปานนี้หรอกแต่คนยังค่อยๆสบายนะเดี๋ยวนี้ไฟมันสบายมันสะดวกรถเรือมันสะดวกมากเพื่อนเดี๋ยวนี้คนเดินไปตามถนนมีแต่ล่างไปจิตใจไม่มีซะแล้ว <c oughs> มันไปอยู่ในความสว่าง มันเสื่อมแล้ ว, ลวเดี๋ยวนี้จะเริ่มเสื่อมแล้วคนนี้ถา้าถ้าเรามีโอกาส<ม>ข่าวป่าคนเดียวไปอยู่ในปา่าคนเดียวปฏิบัติกรรมฐานนี่จะดีไหมครับคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะ <c oughs> คนมีปัญญามันก็ดีคนโง่มันก็ไม่ดีแล้ว <c oughs> มืนก็ขี้ไก่เนี่ยอเอาขี้ไปทิ้งไว้นในป่าก็เหมินอยู่ในป่า เอาไว้ในบ้านก็มีอย่างในบ้านมันเป็นขีกไก่นี่ฟังเส้นนี้หน่อยนะโลกที่เขาเรียกว่ามันมืดไม่มีอะไรจะเป็นอะไรเนะพราะปัญญาเราไม่มีนะไอ้คนเราทุกคนเนี่ย ไอ้ความรู้ยังทุกวันนี่สมัยก่อนไอ้ความรู้ไม่ถึงนี่ฝ่ายโลกบ้านเมืองเนาะเดียนเนีมัรู้ไปถึงโน้นอะไรก็อะ ไ, ไมันรู้กันหมดจ้ะการเรียนเนาะความรู้มากไอ้ความรู้น่ะเหมือนกันกับมีดเดีมหนึ่งที่เอารับเนี่ยมันคมคมมากนะ <C oughs> แต่ว่ามีดเดียมนั้นเราเอาเก็บไว้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 ไปตั้งอยู่ในคนพรานเหมือนเอาสัตรารให้มือโจรความรู้ไปตั้งอยู่ในชนพรานอืญ ค, คนร้าย ค, คนร้าย ค, คนพรายคนชนพรานมีความรู้เหมือนเอาเหมือนเอาอาวุธให้เอามือใส่มือโจรมันยิงต่อพืชฆ่าต่พืชใ น, นนั้น ไอ้ความรู้ตั้งอยู่ในใจของบัณฑิตอย่างบ้านเมืองประชาชนในราบื่นอย่างนั้นความรู้กัมันกันทุกวันนี้คนมีแต่ความรู้อาศัยความรู้บูชาความรู้ไม่ค่อยบูชาความดีหรือความถูกต้องอมีความรู้จะต้องมีความดีได้มีความถูกต้องด้วยมันส่งเสริมมันก็ดีอันนี้มีความรู้อย่างชั้นใหญ่ที่สุดใหญ่มากอะไรอะไรเลยใช่ไหยอย่างนี้หมดที่หายหมดแล้วเนี่ย นี่คือความรู้แต่ไม่มีความดีถามเรื่องชีวิตครวาชาบ้าน <c oughs> อีกแล้วถามว่าที่ลุงพ่อเทศให้มีความอดทนความาาคันตินอกจากนั้นเราจะทำอะไรตอนอยู่ที่บ้านที่ที่จะได้ปลอยวางของขนใ ห, ให้ชีวิตที่ว่างจากอันกิเลสจะทำยังไงครับ ในภายในชีวิตชาวบ้านชอบทำแต่ในบ้านนะแขวนในบ้านนั่นแหละคนในบ้านคนอยู่ในบ้านเ้อะกหมื่นกันกับคนอยู่ในตารางอยากจะกระทำกรรมฐานเนาะกำลังนั่งก็นจายจนาทีเขียนพักเดี๋ยวไปโน่น ปานนี้จึงเห็นโทษมันเนาะแต่ก่อนไม่ค่อยอยากจะเห็นโทษมันครับบ่านนี้เห็นโทษมันเมื่อมองเห็นโทษมันเมันเข้าไปลึกหล้อยากไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะทำความดีอะไรจะให้จะให้มันปล่อยวางมันยากมันต้องคนขยันจริงจริงมันต้องคนต่อสู้จริงๆคนขยันจริงจริงปฏิบัติมันหลายอย่าง แต่ก็อย่างไรก็ช่างมันเถอะไม่มีการปล่อยวางทางผิตกระเพาะเท่าไรการพูดของเราจะให้มันยังไม่มีมโทษการกระทำอย่างมันมีโทษกระพเพาะอ่อเป็นหลัก ม, มีสินห้าประการนะเป็นหลักกระพอะนี่เป็นข้อความเรื่องสมาชินี่ก็เป็นบางครัง้งบางคราวเวลาก็ไอ้แช็ก็เปิดสถานสถานที่ าานี่ภาวนานีก็ลาเขาใช่ไหมลาผอบบ้านรับขอขอลาขอบบานเ <c oughs> ขาวันนั้นเลิกพักหน่อยเขบาบ <c oughs> อกอยากมากนั่หน่อยจบมาแล้วดีนะปัญหานี้ปัญหานี่เป็นของแก้ยากที่สุดแต่ง่ายที่สุดที่ปัญหายโยมถามเนี่ยคล้ายๆว่าอันนี้เป็นเป็นก้อนไฟร้อนๆนะเข้าจากก้อนไฟ ทำไมฉันถึงจะไม่ร้อนมหาพระวางซะทิฉันวางไม่ได้แต่ฉันไม่อยากจะให้มันร้อนนี่นะถ้าบอกไม่ได้โยมต้องวางมันจ้ะฉันวางไม่ได้แต่ฉันไม่อยากให้มันร้อนเนี่ยถ้าหากว่ามันแก้มันแก้ยากปัญหาอันนี้ต้องอดทนไป ถ่ายเงินโทษมันอะไรจะปัญหาง่ายก็เดี๋ยวทิ้งมันก็หายร้อนไนดะะ้ถ้าปล่อยว่างนี่มันไม่ใช่จะทำกรรมอีกไหครับอะไรอือใช่ทิ้งมันใช่ทํากรรมทํากรรมให้มันกรรมนี้มันให้มันเหนือกรรมทั้งหลายครับกรรมดีก็เหนือไปกรรมชั่วกว็เหนือไปจนถึงสร้างกรรมไม่ดีไม่ชั่วครับถ้าปล่อยแล้วเขาถาม คำถามต่อไปเรื่นั้นแหละว่าเรามีครอบครัวแล้วเ ข, ข้าใจว่าลุงพ่อบอกว่าให้เทนมันแล้วก็หให้หนีดีถูกไหมครับถ้ารับผิชอบนี้ทางใจครับไม่ใช่นี้ทางกายออืเราไข่แล้วต้องฟักไว้นี่จากไขก็ไม่ได้นะมันเน่าวะต้องไปคอยพยายามทำกันนะ ม, มันไอ้มันไอมันจะดับโทษมันครับให้เขาใช่ย้อ น, นก่อนที้มันเข็ดเนอะ Sabes, เรา anyway, ไปทำไปแล้วต uh, ้องรับกรรมมนไปก่อนพอถึงควรที่มันบ้านของเรามันรับดบื่อมันก็ค่อยๆออกไปนะในโยมคุณก็ใช่มันเข็ดนะหมดแล้วพอแล้วครับเออ ปัญหาทั้งหลายทั้งหลายแล้วนี้เอามาให้ตมารวมมันจะเอาไปเทเมือนไทยนะได้มันรวยขึ้นอีกนะจะเอาไปเททิ้งเหมือนไทยนะได<า>้เหรหนว่าดีทีท่สุเนา ะ, ะถูกกันไม่รู้นี่เนาะ <c oughs> เสรษฐมันเนะ